จะเล่นในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวปู่พุธิยานกำลังนำเสนออริยมรรคีองแหวประการมาถึงช่วงของสมาสังกปะหรือความดำริในทางที่ชอบได้แกเนกกว่มสังกปะคือความดำริในการที่จะดึงกายดรงจิตของตนออกจากอำนาจ ข, ของอิเลสกรรมและก็วัตถุกรรม แต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆนี่ยคือต้องการออกจากกิเลสกรรมเพราะว่าตุกามนั้นก็คือสิ่งที่เราสัมผัสซึ่งมีอยู่ในโลกสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องนั้นมันคงจะเป็นอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าจิตใจเราไม่ไปกำหนัดไม่ไปขัดเขืองมันก็ตัดกระแสะความเกี่ยวข้องผูกพันกันได้ปัญหาใหญ่จริงๆมันก็อยู่ที่เราคิดยังไง ไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นอยู่นั่นเองประการต่อไปก็คืออัปยาปาณาสันกับปะคือความดรมฤตในการไม่พยาบามก็เน้นไปที่การเจริญเมตตาคือความไม่พยาบามเนี่ยที่จริงมันเป็นผู้พูดระดับการงดเว้นเป็นศีลระดับประณีตแต่ว่าเป็นธรรมะระดับตอนต้น ผนโดยโครงสร้างจริงๆโดยสภาพจิตจริงๆมันอยู่ในปัญญาสิกขาคือสมารถสังกปะนี่อยู่ในปัญญาสิกขาแต่เจอการไต่อันดับครั้งแรกก็คือต้องมองเหตุโทษของความอาฆาตพยาบาทมองเห็นคุณของการไม่อาฆาตพยาบาทก็ราะอะไรเพราะว่าระดับความคิดเนี่ยจิตใจเรามีปัญหาเอง คนอื่นที่เร า, าคาดพยาบามเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับการนะครับพยาบามของเราแต่จิตใจของเราจะถูกเผาดนให้เกิดความด้าร้อนแรงอาคาดพยาบามเพราะกิเลสสายนี้สรงอุปมาให้เห็นนี่ง่ายว่าเหมือนกับถ้าเราดูน้าเนี่ยเหมือนกับ น, น้าที่เดือดแล้วก็งองเงาหน้าของเราเองนี่ไม่ชัดเจน แต่ดูซึง่งสภาพหยิตคล้ายๆกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สุกถูกเสียดแทงในโใครคภัยแค่เจ็บเป็นนั้นมากก็ยากที่จะบรรเทาให้เบาบางลงไปแม้นคนอื่นจะไปเข้าไปเกี่ยวข้องไ่ญาติพี่น้องมีแพทย์มีพยาบาลอยู่ ด, ด้วยไปตามแต่เอาก็จริงแล้วปวดเท่าไหร่ก็คือเราปวดคนเดียวคนเราอื่นไม่สามารถจะแบ่งเบาให้ได้ ร้อนจิตเย า, าธาตุยาบาทมันก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราก็มองในด้านตรงนั้นครับว่าถ้าเราไม่มีความคิดอาฆาตยาบาทจิตใจก็เหมือนกับน้ําเย็นมันสัมผัสได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายๆกรณีแล้วอาการทางจิตก็เย็นตามนะเพราะว่ากายก็ไม่ถูกเสียแทงด้วยโรคภัยไข้เจ็บจิตก็ไม่ถูกเสียแทงด้วยกิเลส ให้เราสังเกตว่าพวกกิเลสนั้นจะมีลักษณะเสียดแทงแผดเผาปลใอยเกิดความ ร, าร้อนร้อนเมื่อเรามีเมตตาขึ้นมาหรือว่ามีอัโทสะเป็นอย่างน้อยเนี่ยฮะอภัยาบาปคือการไม่พยาบาทเป็นอย่างน้อ ย, ยมันก็ทำให้เดียวนึกจุดนึกถึงคนอื่นด้วยความปรารถนาดีหวังดี รัถนาการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุธรายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามต้องกฎแก่สถานะของตนแล้วมันมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ไปเข้าที่ อ, อวิหิงสาสังกปะอวิหิงสาสังกปะอย่างที่บอกว่าก็คือกรุณาก็แสดงว่า คือสภาพจิตที่จริงๆเนี่ยฮะก็คืออยู่ด้วยพรหมิหารทั้งสีประการนั่นเองเพียงแต่ว่าพรหมิหารนั้นเป็นการเรียงเมตตาไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรียงพวกเนคขมะไว้ในเบื้องต้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการขาจัดกิเลสด้วยกันลักษณะของเมตตาก็ นการเพื่อกูนคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอีกแล้วจะแสดงออกมาทางกายพูดออกมาทางวาจาที่เรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามนุกกรรมเป็นหลักใจที่จะเชื่อมโยงใจกับใจให้ประสานกันและสร้างความรู้สึกผูกพันความรู้สึกเป็นอนเนกอันหนึ่งอันเดียวกัน เวลากะทำอะไรที่เกี่ยวกับใครก็ตามก็ทำาดยเมตตาเวลาพูดถึงใครหรือพูดกับใครเนี่ยก็พูดกัน้วยเมตตาเวลาคิดถึงใครและคิดถึงสัตว์หรือคนก็ตามคิดไปด้วยเมตตาแน่นอนพลังจิตของเราไม่สามารถจะดลบันดาลให้คนอยู่อย่างมีปกติสุขได้เราแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดใจิตใจเราก็สงบ เราไม่มีพยาบาทในคนในสัตว์ทั้งหลายใจก็จะมีความสงบเย็นเรื่องเหล่านี้ที่จริงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะะแล้วก็น่าคิดเป็นพิเศษวันก่อนได้ดูสถิติเขาสรุปเรื่องคนไทยที่ตายนะก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็ตายเพราะการติดเชื้อ แทย์อธิบายว่ามันมาจากระบบการกินของคนไทยในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรยอยู่สูงบนก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องอาหารแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราก็บริโภคในลักษณะคือเนื้อสัตว์มันไปปนอยู่เยอะคือแนวพลรัง แต่บ้านเมืองเราเปไ็นเมืองร้อนผลมาบริโภคอาหารในแนวนี้ก็ออกมาในรูปของการติดเชือ้อโดยประการต่างๆแล้วก็เชื้อที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งก็คือเชื้อโรคเอชแล้วก็ยาบ้ า, าคนส่วนหนึ่งเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวก็จะตายด้ยอุบัติเหตุทางรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรถมอเตอร์ไซค์แล้วจนถึงก็ตายด้วยโรคหัวใจก็คือึบเนื่องมาจากอาหารกับความคิดอีกเช่นเคยเพราะเราจะเห็นว่าความคิดตรงนี้มันเป็นปัญหาในด้านสุขภาพจิตของคน ฉันว่าไปกระสันยากในอารมณ์ทั้งหลายปรารถนาคขว่คว้าเพื่อได้เพื่อมเอเอีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าเ้าเจ้าของบุคคลสัตว์สิ่งต่งางๆใจมันไม่สงบใจไม่ได้พักใจก็พ่านสายไปมันเหมือนเ่คนไม่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นแล้วก็ต้องชดชายอยู่รับไปการความเป็นนิสระในส่วนตัวเอง ในความมาฆาตยาบาดมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็เปรารลนอีกแนวหนึ่งในสุดใจก็จึงหงุดหงิดจะรำคาญแล้วการพักผ่อนนั้นก็จะไม่พอนะฮะเพราะว่าใจก็หลับหลัตื่นตืนอนก็หลับๆตื่นๆเพราะว่าคิดฟุ้งซ่านซักสายไปในเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราจเจริญเมตตาได้แล้วก็พยายามที่จะใช้เวลาในชีวิตประจวัน คนขวาประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกลุะม บ, บุคคลอื่นจนภายในใจเนี่ยมองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสามารถขจัดความรู้สึกอาฆาตที่ส่งชา้กับว่าอาฆาตตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตพยาบาทเป็นเรื่องของจิตที่ปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเอง เราจะคิดก็ได้เราจะไม่คิดก็ได้กันว่ากันตามความจริงแต่ก็อดคิดไม่ได้เพราะว่าอัตราตัวตนเราค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใครไปทำอะไรให้กระทบก็จะเก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้แล้วก็สิ่งเรานั้นมาเนียวนึกมาฝึก น, นึกด้วยความมากาทพยาบยั คนนั้นเคยทำอันตรายต่อเราเคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กื้อกูลต่อศัตรูเราเรื่องราวมันผ่านไปแล้วนะฮะเอามาปลูกผีขึ้นมาแล้วก็มาปรุงคิดมาคิดปรุงเผาลนใจให้เกิดความ ร, าร้อนร้อนแต่ทีนี้ถ้าเรามองด้วยเมตตาเนี่ยเราก็มองด้วยกวารให้อภัยในกรณีที่เขาเคยทำอะไรไม่ดีกับเราก็ดัง เรื่องมันผ่านไปแล้วเลิกแล้วต่อกันจะเอาอะไรกันนักหนาคนเราเกิดมาไม่กี่วันก็จะตายแล้วแต่ลอไพิว่ากันไปก็เท่านั้นเองใจมันก็สงบทีนี้ก็พยายามมองในจุดดีของคนก็ตามปกติไล่ลองสังเกตว่าคนที่เราโกรธเราอาฆาตปยิบาทนี่เป็นคนที่ใกล้ชิดเรา เราไม่คงคงไม่โกรธคนไปถึงแอฟริกาถึงอเมริกาถึงกฤษถึงยุโรปถึงอะไรนะเหมือนก็คนที่บ้านเราเนี่ยใกล้คิดใกล้คิดการอยู่ทํางานด้วยกันอยู่โรงเรียนเดียวสถาบันเดียวกันหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันเราก็โกรธคนที่เคยมีอุปสรรคุณต่อกันเนี่ยทีนี้พอจิตมันลดพยาบาทลงไปแล้วก็มองดูความเป็นมิตรแล้วก็พยายามหาจุดลีของเขา พอเระบวกลบคูณหารนั่นจะเห็นว่าคนเหล่านั้นที่จริงเนี่ยส่วนดีเขามากกว่าส่วนไปดีพอเดออะไรที่กระทกระทั้งกันบ้างก็โอดทนให้อภัยเลิกแล้วต่อกันใจมันเย็นนะความสงบเย็นก็เกิดขึ้นภายในใจพอมาในปัจจุบันถ้าหากว่าจิตเรามีพยาบาทเนี่ยเราจะมองว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายตัวอย่างพี่น้องของเ ร, เรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธไปเคืองอะไรเขาแล้วสมมติว่าเขาทำเนี่ยคือเขาก็ทำไปแล้วถ้าก็ผิดกฎหมายเาก็ผิดไปแล้วถ้าเราไปทำอะไรเขาเราก็ผิดตามไปด้วยเพราะ้ก็ขีดบวงของปัญหาเอาไว้เท่าที่มันมีแล้วพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงไม่ปล่อยให้เกิดการมันลุกลามต่อไป ว่าแนวของน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยที่จริงเป็นคติเสือนใจสอนใจว่าเรื่องมันไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้เพราะว่าคนไม่ควบคุมความคิดตัวเองทุกขั้นตอนเราสังเกตว่ากว่าจะเป็นเรื่องคนกับคนเนี่ยเนะี่ยมันผ่านอะไรไมาเยอะคนสะเพร่าทําน้าพึ่งหก มแมลงวันมาตอม น, น้ำพึ่งจิ้งจบมากินมแมลงวันแมวมาตะคุบจิ้งจบหมามาตะคุบแมวจนถึงเจ้าของแมวมาไล่ตีหมาก็ตามแต่แต่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องของคนดังแกสัตว์ไอ้เจ้าของหมามาโกรธเจ้าของแมวมาท่าตีท่าต่อยกัเจ้าของแมวก็เรื่องคนเพื่อนสองคนก็ปล่อยก็ไปห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามห้ามปราบไม่ได้ก็ปล่อยก็ไป แต่ว่าพี่น้องทั้งสองฝ่ายนั้นขาดการควบคุมขาดสำนึกที่ชอบที่ควรเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาก็กลาเป็นจลาจนขึ้นมาได้ <c oughs> ตรงนี้ที่จริงทั้งกอนให้เป็นบทเรียนแล้วก็เราก็ทำอะไรในแนวนี้อยู่เยอะมีเรื่องเยอะนะฮะที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วก็คนก็พยายามทาให้เป็นเรื่องขึ้นมาในที่สุดก็ได้เรื่อง แต่บางทีมก็ไม่ได้เรื่องนะฮะทาให้เสียเรื่องไปคนนี้ตรงนี้ถ้าหากว่าปัญญามันมีมากพอเราจะลืมว่าการคิดได้แนว น, นี้ต้องมีปัญญานะครับแต่แม่นทีคิดไม่ออกคือเราจะต้องเห็นคุณของส่วนที่เป็นกุศลนธรรมแล้วก็ต้องเห็นโทษของส่วนที่เป็นอกุศลนธรรมแล้วก็พยายามควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในกระแสของกุศลคือไม่ไหลไปสู่กระแสของกุศล แม้เขาทำให้โกรธเราก็ไม่โกรธมันก็จบอปคือเขามีสิทธรริทำเราห้ามเขาไม่ให้ทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาทำก็ปล่อยไปเรื่องของเขาไปนะอย่างที่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าโลกคณิตเนี่ยโครงโลกคณิตที่จริงเป็นโครงที่มาจากหลักธรรมในธรรมศสาสตร์ส่วนมากแล้วแปลมาจากภาษาบาลีาภาษาอังกฤษนะ่ะเพียงแต่ว่า มาคิดขึ้นมาเป็นรูปคำโครงมันก็ง่ายระหรับการทำความจักทาความเข้าใจแต่ว่าและการตํากันคือการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการมองเนะช่นท่านบอกว่าหมาใดตัวร้ายขบบาถายะขบกรอบต่อหมาอย่าขึ้นแต่เราขบต่อกับหมาก็แสดงว่าเราลดตัวลงเสมอกับมันถ้าเราโกรธมามันจะได้อะไรขึ้นมา แม้แต่คนที่ทําให้เราโกรธแล้วถ้าเราโกรธเขาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาผลจะความโกรธมันก็ผลรนใจเราก่อให้ความเกิดความทผู้ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเราแล้วก็เปิลเขาโกรธคนเดียวะไฟคือกิเลสเขาผลรุนใจเขาคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนพอทํานองคล้ายๆกับเขาส่งของสกรปรกให้เราเราไม่รับเขาก็เปื้อนมือคนเดียวมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทไปขุนเคืองไปจองร้างจองผ่านกัน และบางคงับมังคราก็ไปมองในอนาคตตัวอาคารวัตถุี่บงังชีมันไปมองนอนาคตต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นพักพวกเพื่อนพ้องช่วยเหลือต่อคนที่เป็นศะตรูเราแล้วก็ถูกอาคาตพยาบาทเขาทำตัวเป็นสารตัดสินเสร็จเลยเป็นเรื่องอ น, นาคตแล้วเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่นี่ก็ไม่รู้ แต่ตามปกติแล้วคนจะไม่ยอมมองในเรื่องเหล่านี้อย่าบางครั้งมีคนเขาห น, นี้มนต์มาหลายเดือนล่วงหน้าไปหลายเดือนเนี่ยเราก็พูดเปลยๆ เ, เขาฟังว่ามันชีวิตจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ถึงหรือเปล่าแต่จะพูดว่าไม่ตายไปไม่ตายแต่ก่อนก็นจะไปครับ แล้วก็เ้ามองแค่พูดเล่นแต่ที่จริงเราพูดจริงเพราะคนเราต้อคิดถึงความตายไว้ด้วยเนี่ยและตัวนี้คือกระบวนการของกรรมหมายความว่าเป็นมโนทุจริตคือใครคิดอาฆาตพยาบาทก็เป็นมโนทุจริตอาฆาตพยาบาทจองล่างจองผานบุคคลอื่นคิดในทางนองตางนองจองล่างจองผานบุคคลอื่นก็เป็นมโนทุจริตเป็นความคิดผิดในส่วนตัวเขา ไม่มีความจะเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดอย่างที่เขาคิดหรือทำอย่างที่เขาทำหรือพูดอย่างที่เขาพูดแน่นอนถ้าหากว่าช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยแต่บางครั้งมันช่วยไม่ได้เราก็ไม่กระโจนลงหลุมบ่อเดียวกับเขาตัวเขาทำเขาไปเราก็อภัยอดทนรอคอยวุฒิภาวะความเจริญในด้านต่างๆของเขา ประการต่อไปก็คือตัวความสงบเย็นตัวการสำคัญคือธรรมะเนี่ยท่านเคยสังเกตไหมว่าอย่างขันติโสัจะเราพูดว่าขันติความอดกัน้นความอดทนความทนทานก็ ด, ด, ดูดูง่ายนะฮะง่ายต่อการทงความเข้าใจแต่ถานโสัรรจะที่แปลว่าสงบสิง้เงียมเนี่ยมันหมายความหมายยังไง เป็นอาการที่ทางกายนะปรากฏออกมาเป็นรูปทางกายแต่ที่จริงมันต้องสะท้อนมาจากจิตคือจิตจะสมมติเขาด่าเราเนี่ยเราก็ทนได้แล้วเราก็ไม่เก็บคาําด่านั้นเอาไว้ภายในใจอย่างสานวนที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พราหมคนหนึ่งที่ด่าว่าพระองค์ว่ามันเหมือนกับของกองรับแขกคือทหารเข้าไม่รับประทานอาหารสิ่งนั้นของนั้นก็เป็น ของคนที่เขรับแขกท่านเด็กคนคำบาทั้งหมดรู้จ่าไม่รับซึ่งก็หมายความว่าก็เป็นของภาลัตวะชาภาลัตวะชาพรมลักษณะาอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งคนอื่นเขาพูดหรือทําหรือแสดงอาการกริออยอาการหรือแม้แต่คิดอาฆาตพยาบาทก็คิดอาฆาตพยาบาทเราไม่รู้หรอกนะเขก็ต้องพูดออกมาทําออกมาเราเห็นแล้วก็ปล่อยไปเรื่องของเขา ก็คิดเปในแนวของอุเบกขาตรงนี้จะออกไปในรูปอุเบกขาแต่ว่าปัญหาว่าเมื่อเราแม่ถ้าไปยบบาิเขาแล้วเนี่ยใจเราร้อนหรือเปล่าใจเรายัางอาฆาตต้องการจะแก้แค้ใ น, นในวันใดวันหนึ่งวันนี้ยังไม่พร้อมเพราะพวกยังไม่มีกลัวจะสู้ไม่ได้ตัวเราเล็กกว่าไม่มีอาวุธอะไรทไนายคิดหรือเปล่าคือถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าใจมันไม่สงบ วัดไมตาท่านยิงพิสูจน์ด้วยจิตที่มันสงบเย็นแล้วก็ตัวที่กระตุ้นอยู่ตลอดเนี่ยคือมองสัตว์อื่นด้วยความเป็นมิตอย่าแนวโบราณที่ท่านสอนให้มองมองคนรุ่นเด็กเป็นลูกหลานเลยมองคนรุ่นน้องน้องขึ้นมาอายุใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นรุ่นน้องเลยมองคนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อน มองคนอายุเลยไปเป็นพี่แก่ไปมากกว่านั้นเป็นน้าเป็นอาเป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นยายมันก็มีคนที่ควรแก่การเมตตากรุณาคารมนับถือแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนั้นที่จริงเราก็ทันใจเราได้แต่ว่าเราไม่ยอมขยายํำนวนบาลีท่านเรียกว่าปูนอาจารย์ปูนอุปชา อาจริยมัตตปูนอาจารย์อุปชาอายมัตตปูนอุปชาคนเนี้ยรุ่นพ่อเราคนนี้รุ่นแม่เราคนนี้รุ่นน้าเราคนนี้รุ่นเพื่อนเราคนนี้รุ่นน้องเรามันก็มองไปอย่างนั้นมันก็เอาอายุเป็นเกณฑ์ใ น, น Democrat, สมัยโบราณนี่ก็ดีนะอาอยุเป็นเกณฑ์นเนี่ยเดี๋ยวทําให้เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจด้วยความให้อภัยด้วยความเคารพด้วยความนับถือตามทุกว<ค>ันกับฐานะ แล้วคนในโลกมันก็มีอยู่แค่สามพวกนั้นเองคืออายุน้อยกว่าเราอายุเสมอเราอายุเกินกะแกกว่าเราแล้วถ้าเทียบกับเครือญาติแล้วมันก็อยู่ปูนเครือญาต์นั้นมองกันด้วยความเป็นญาติเป็นมิตรสนิทสนมโครงสร้างเหล่าเนี้โดยเห็นฉพาะพระเจ้าเน้นมากที่พระสงฆ์ให้อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาในสารานิยธรรมเน้นหมดทั้งสามทางเลยเมตตากายกรรมมังมกีกรรมมังมโนกรรม เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงจิตใจของภิกษุสา ม, มนเณรที่มาอยู่ร่วมกันมันก็แตกต่างกันเยอะแต่ว่าเวลาเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะมาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งก็มีความเคารพกันตามลำดับพันธสัญผู้ใหญ่ก็เมตตาต่อผู้น้อยผู้น้อยก็เคารพนับถือผู้ใหญ่รุ่นราวข่าเดียวกันก็เป็นมิตรสนิทสนมกันเป็นเพื่อน รวมวัดเป็นเพื่อนสัพ ร, รมจารีร่วมอุปจายะร่วมอาจารย์กันมันก็คล้ายๆกับเป็นสาธิตคือให้คนก็ดูว่าจริงๆมนุษย์อยอยู่ได้คิดกันให้ดีิไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนปัทุสไรอะไรกันเรื่นี้แม้แต่เรื่องราวของการบานกันมือเราเจือว่าข่าวด้านพม่าเนี่ยมีบอยได้เกินเวลาเนี่ยนะ คือยังไม่กว่าทําไมเราไม่เปลี่ยนความคิดทีละเราเป็นเพื่อนบ้านกันมันไม่สามารถจะย้ายเมืองหนีได้หรอกยะประเทศนี้ได้หรอกแล้ที่สําคัญอย่างยิ่งคือเราเป็นพุดด้วยกันนี่ยไปมาหาสู่กันแทนที่จะไปคุยเรื่องการเมืองไปไหว้พระกันก่อนไปไหว้พระเจดีย์ทั้งหลายที่พระพุทธรูปทั้งหลายที่เขาเคารพนับถือกันน่ะ แล้วก็ร่วมกิจกรรมแล้วคุยกันอย่างเพื่อนแถวพุทธด้วยกันเขามาวัดเราเราก็นําไปเที่ยวไหว้พระตามวัดต่างๆเราไปเมืองเขาเราก็ไปไหว้พระในวัดเมืองต่างๆเทคือทันทีเจ้ากิเลสมาพบกันเอาพระมาพบกันเอาความเป็นพุทธซึ่งแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมาพบกันก็สามารถสร้างสารรค์ในเกิดความสามาคัครคีเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็ อะไรนิดเดีวหน่อยกระทบกระทั่งกันมันก็ให้อภัยอดทนรอคอยกันได้ดังกล่าเต้องฟังท่างหรายใต้ลงประพวธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี